สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนยายทหารคนชอบเล่าวันนี้เรามาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันต่อนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณสเปซนารก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหากเอ่ยชื่อผิดไปเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยครับคุณสเปซนารเล่าว่าสวัสดีครับนี่เป็นเรื่องราวในสมัยหนึ่งที่ผมกับเพื่อนได้บวชเรียนอยู่ออลืมบอกไปเป็นเรื่องราวตอนบวชเป็นสา ม, มเณรนะครับ ตอนนั้นผมกับเพื่อนได้โบสถเรียนอยู่ที่วัดป่าดงสีเรือนอเภอสมเด็จจัังหวดกาลสิน์ก็ไม่ได้มีเรื่องตื่นเต้นอะไรนักหรอกก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเรียนครับและเมื่อถึงช่วงที่ปิดเทอมผมก็ได้กลับมาพักที่วัดบ้านของตัวเองแล้วตอนนี้แหละผมก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่สมณเณรรุ่นพี่ผมเจอมาเจอมาที่วัดแถวบ้านผมนี่แหละส ม, มะเณรรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้า เป็นช่วงเวลาที่สำเนินรุ่นพี่จะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปจัดศาลาเพราะว่ากุฏิอยู่ใกล้กว่ารูปอื่นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ประจําที่ต้องตื่นขึ้นมาจัดการวันนั้นรุ่นพี่เล่าว่าจะไม่ผิดน่าจะใกล้วันพระน่าจะเป็นคืนวันโกนก่อนเช้าพอถึงเวลาตื่นก็ตื่นขึ้นมาตามปกติก็เตรียมลุกขึ้นจะไปล้างหน้าล้างตาเพื่อไปจัดศาลาแต่หูก็ดได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมา เอ๊ะเสียงอะไรนะสงสัยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็นั่งเมาคิดตาอยู่พักหนึ่งฟังไปฟังมาเอ๊ะคล้ายๆเสียงคนนี่คล้ายเสียงร้องไห้ของผู้หญิง <c oughs> จริงด้วยดังมาจากทางห้องน้ําคิดได้ก็รีบลุกขึ้นตั้งใจจะรีบย่องลงไปดูเพราะว่ายัางไงยังไงก็ต้องไปล้างหน้าอยู่แล้วใจก็เริ่มไม่ค่อยดีเหมือนกันแหละแต่หลวงพ่อเคยสอนว่าไม่ต้องกลัวเราครองจีวรอยู่มีองค์พระรัตนตรายเป็นที่พึ่ง ค่อยๆก้าวย่องไปค่อยๆเดินลงไปเหยียบบันไดขั้นแรกใจก็ยังสถานอยู่เพระเอเสียงดังฮือๆชุนหลนก็ยังคงแว่วมาจากทางหลังห้องน้ําบรรยากาศรอบกายเวลานี้ก็ ย, ยังคงวังเวงก็มันยังไม่เช้านี่ไม่เป็นไรตัดสินใจค่อยๆย่องไปย่องไกล้เข้าไปเ <c oughs> สียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ย่องไกล้เข้าไปย่องไกล้เข้าไป พอเข้าไปใกล้ๆเสียงก็เงียบลงแบบเงียบสนิทไปเลยเอ๊ะมันยังไงแต่ก็รู้สึกโล่งใจเต้นรัวไม่คิดจะเง้อชงแงไปดูหลังห้องน้ำแน่นอนรีบปฏิบัติกิจหลางหน้าหลางตาแล้วระหว่างที่กำลังหลางหน้าอยู่นั่นเอง <c oughs> เอาอีกแล้วร้องไห้อีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ได้อยู่ที่หลังห้องน้ำแต่อยู่บนกุฏิเลยเสียงม่ดังจากบนนั้นเอ๊ะมันยังไง คุณเริ่มลุกล้างหน้าเสร็จตัดสินใจรีบเดินขึ้นไปดูเลยเป็นไงเป็นกันเข้ากุฏิไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดค่อยๆเดินก้าวย่องขึ้นไปย่องขึ้นไปเสียงร้องไห้ดังขึ้นอีก <c oughs> ยิ่งขึ้นไปใกล้ยิ่งชัดเจนแต่ยังไงก็ต้องขึ้นแล้วเมื่อขึ้นไปถึงบนกุฏิสะพรันเสียงก็เงียบหายไปอีกแล้วแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้สิ่งนั้นไปดังอยู่ที่หลังห้องน้ําอีกแล้วเมื่อเหตุการณ์ปรากฏดังนั้นสมเด็จรุ่นพี่จึงได้ตัดสินใจนอนต่อทันทีไม่ไปจัดศาลาแล้วเอาไ ว, าว้เช้าค่ยร่วมกับทําทีเดียวตอนแรกรุ่นพี่คิดว่าตัวเองหูฝาดแต่มันก็ไม่ได้แต่ใช่เพราะเดินลงไปก็ยังได้ยินเสียงอยู่หลังห้องน้ำไม่นำซ้ำําเสียงก็ยังมาดังอยู่บนกุฏิอกีกจึงมั่นใจได้เต็มที่ว่าตัวเองโดนเข้าแล้วรุ่นพี่เล่าให้ฟังประสบการณ์หลอนทีนี้ไม่ถึงเวลาในช่วงที่เข้าพรรษาหลานของผมมานอนที่วัดด้วย เพราะช่วงนั้นหากเป็นช่วงที่เข้าพรรษาก็จะมีคนเฒ่าคนแก่มาร่วมทําบุญวัดช้าวัดเย็นกับพระเนรที่วัดด้วยทีนี้หลานขมขุมก็เลยมานอนที่วัดด้วยเลยแต่ก็ขออนุญาตเปน้อยกับรุ่นพี่ก็ทิคุติที่รุ่นพี่ได้ยินเสียงนั่นแหละส่วนรุ่นพี่หลังจากที่เราเหตุการณ์ให้ฟังตอนหลังๆก็ไม่ค่อยกลัวแล้วสเสัยจะชินแล้วก็ยังบอกอีกว่าช่วงหลังก็ไม่คเคยได้ยินแล้วด้วยและคืนวันนั้นก็เหมือนเดิมตีสี่ครึ่งรุ่นพี่ก็ตื่นขึ้นก็ลลงจจจาาาากกกุุิทํรรเส็็ไปัดศ แล้วก็ทิ้งให้หลานผมนอนอยู่คนเดียวในกุฏินั้นพอใกล้จะเช้าหลานผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา <c oughs> ใช่แล้วหลานก็ผมได้ยินเจอแบบเดียวกับที่รุ่นพี่ผมเจอเลยอยู่ไม่ได้จึงรีบวิ่งลงมาที่ศาลาแล้วก็รีบเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหลานผมกลัวมากเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มาเป็นคิวของผมบ้างเรื่องก็คือ คืนนั้นเป็นคืนเดือนไห่ทําให้ใเวลาค่ําคืนยังพอมองเห็นอะไรได้ถนัดถึงแม้จะไม่ชัดตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาสี่ทุ่มได้ผมกําลังพยายามข่มตาหลับขับตานอนแต่มันก็นอนไม่หลับโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่หลับยากก็กําลังทําใจให้ผ่อนคลายตเตรียมตัวจะให้หลับให้ได้มองไปรอบๆห้องอนมืดมิดแต่ก็สลัวๆแสงของดวงจันทร์สาดเข้ามาทางหน้าต่างพอให้มองเห็นดาไรพัทยามมองไปมองมาให้ตามรรลามันจะได้หลับลงสักที ส้ายทีขวาทีบนบ้างล่างบ้างตอนแรกมองไปมองมาก็ไม่มีอะไรใกล้จะหลับแลมองรอบๆอีกสักครอบแล้วก็จะขมตาหลับสักทีแต่รอบสุดท้ายนี่สิเกิดเหตุการณ์จนได้ผมมองไปทางฝั่งริมหน้าต่างเอ๊ะอะไรสายตาของผมมองเห็นเงาอะไรก็ไม่รู้คล้ายขนก่อนมันเดินไปทางหน้าต่างแล้วก็ทะลุหน้าต่างไปเลยลืมบอกไปหน้าต่างอยู่ทางด้านข้างที่ผมนอนเฮ้ยอะไรเนี่ย ทำให้ผมอึ้งแล้วก็งงอยู่ระหว่างที่ผมกําลังงงและขนลุกอยู่ น, น, นั้นมาอีกแล้วเงาประหลาดนั้นมาอีกแล้วเดิยนย้อนมาทางหน้าต่างเดินไปถึงหัวนอนแล้วก็เดิยนย้อนกลับไปกลับมาสักสองสามรอบคือเดินมาทางหัวนอนแล้วก็ย้อนกลับไปที่หน้าต่างผมได้แต่จำเลงดูนิ่งๆไม่กล้าหืเอ อ, อจนเจ้เ ง, งาประหลาดนั้นเดินตรงมาทางหัวนอนแล้วก็หายไปในความมืดของมุมห้องผมยังขยับได้เป็นปกติไม่ได้โดนอําก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนหรือเปล่า ลุกขึ้นสำรวจดูร่องรอยการเดินรีบเปิดไฟไปโผพดดูตรงหน้าต่างว่าเดินทะลุไปได้ยังไงหรือว่าผมจะตาฝาดดูตามพื้นก็ไม่มีร่องรอยของการเดินประตูกุฏิก็ปิดอยู่พิสูจน์จนมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนก็รีบดับไฟและกลับไปนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ผ้าเหลืองแต่นั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอเพียงครั้งเดียวและวมาถึงเวลาที่เปิดเทอมผมก็ต้องเดินทางกลับไปที่จังหวัดกาลสิน์เป็นเหตุให้รุ่นพี่ต้องใหายมาอยู่ที่กุฏินี้แทนผมภายหลังที่ได้คุยกัน รุ่นพีก็บอกว่าเจอแบบผมเหมือนกันแต่แตกต่างกันนิดหน่อยรุ่นพีบอกว่าไม่ได้เจอที่หน้าต่างแต่เห็นเส้อเงาประหลาดนั้นตรงประตูขึ้นกุฏิเลยจากร่องใต้ประตูเห็นเป็นเงาคนเดินผ่านไปมาที่หน้าประตูสองรอบก็แล้วสมรอบก็แล้วเดินอยู่นั่นแหละรุ่นพี่สงสัยว่าใครก็เลยลุกขึ้นและเปิดประตูไปดูปรากฏว่าพบแต่ความว่างเปล่าก็รีบปิดประตูห้องทันทีคิดว่าถ้าเป็นหมา ก, ก็ต้องได้ยินเสียงบางสี แต่ถ้าไม่ิช่หมาและเป็นคนมันก็ต้องเห็นสิอะไรจะเดินได้ไวขนาดนั้นคิดไปคิดมาเริ่มมั่นใจเอาผ้าเหลืองคลุมโปงทันทีและรุ่นพี่ก็ยังบอกอีกว่าไม่ได้เจอแค่คืนเดียวนะเจออยู่อีกสองสามคืนเลยครั้งสุดท้ายที่ร้ายสุดคือเดินทะลุฝาผนังเข้ามาเลยอยู่ไม่ได้แล้วเลยทําเรื่องขอย้ายกุฏิอีกครั้งหนึ่งไปอยู่กุฏิที่สร้างใหม่พอย้ายไปอยู่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนเมื่อผมปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งกลับไปอยู่ที่วัดก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันว่าใครเจออะไรบ้าง ซึ่งเรื่องราวของแต่ละรูปก็เจอไม่เหมือนกันจะสรุปได้แน่ๆก็คือผีแน่ๆไม่ใช่คนเอวังก็ด้วยประการชนนี้แหละเอ๊ A ร ะ, ร, ะ A รู้สึกว่าสิ่งจะต่ําลงไปอีกแล้วขออนุญาตจูนนิดหน่อยครับเอาล่ะน่าจะเข้าที่แล้วเราไปต่อกันอีกสักเรื่องครับเป็นเรื่องราวของบุรุษผู้ไม่เคยสั่งเมาได้กรุณาแชร์มาเขาคนเดิมผู้ไม่เคยสั่งเมาแต่เขาคนนี้แหละที่มีเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของพุทธาผู้แก่จากโรงงานที่ผมทํางานอยู่ซึ่งผมได้พยายามไปสอหามาให้ได้ถ่ายทอดและจากที่ได้ไปพูดคุยกับพุทธาผู้แก่ม า, บ, าบังคับคููเข็นให้ท่านเล่าอาล้อเล่นแค่พยายามสอบถามจากพ่อใหญ่รุ่นพ่อของผมอายุประมาณ 54-56 ิปีจนท่านเล่าให้ผมฟังผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าท่านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นท่านเพิ่งเข้ามาทํางานโร ง, งงานใหม่แถวพุทธมนทนนี่แหละซึ่งก็คือฝั่งทน แต่ตอนนั้นถนนหลายเส้นยังเป็นถนนแค่เลนเดียวเพื่อความเป็นกันเองขอเปลี่ยนสรพนานน้ของท่านเป็นแกนนะครับดูลูกทุ่งลูกทุ่งดีตอนนั้นแกบอกว่าแกก็มีอายุประมาณ30มสิต้นๆพอได้ฟังก็รู้ว่าแกไม่อยู่ที่นี่นานมากแล้วแกบอกว่าแต่ก่อนโรงงานที่ผมทําอยู่ตอนนี้เครื่องหมายเครื่องมือก็ยังไม่ค่อยจะมีมากมายแบบทุกวันนี้หรอกแต่ว่าอาหารการกินหาได้ง่ายเช่นกุ้งหอยปูปลาเพราะว่ายังมีนามีข้าวซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะ ปลามันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มนุษย์หรือคนก็อย่างว่าแหละมีงานทํามีเงินเดือนจะไปหาทําไมให้ยุ่งยากซื้อกินเป็นมือม้อๆก็จบไปแกว่าสมัยนั้นแถวพุทธมนตร ท, ที่หาปูปลาก็ไม่ค่อยจะแตกต่างจากอีสานบ้านนานักแกบอกว่าคืนนั้นแกไปหาแทงปลาโดยใช้อีแหลมซึ่งก็คือชีโมกนั่นแหละโดยไปกับเพื่อนอีกสองคนพากันไปหาปลากันตามคลองน้ําขอบอกกันนะครับว่าผมเรียกแกว่าตา ถึงแม้ว่าแกจะแค่รุ่นราวคราวเดียวกับพ่อผมก็ตามเพราะความเคยชินแผนการหาปลาของแกกับเพื่อนก็คือแบ่งหน้าที่ให้เดินหาคนละฝั่งกันวันนั้นแกจะอยู่ที่ฝั่งหนึ่งคนเดียวและอีกฝั่งหนึ่งก็ให้เพื่อนไปหากันสองคนเมื่อตกลงกันเรียบร้อยก็แยกแยะ ก, ก, กันออกหาปลาทุกคนมีไฟฉายประจำตัวพอแกเดินถือเชืมวกหาไม่ได้สักพักฝนก็เริ่มมารินลงมาแม้บรรยากาศมันช่างได้ปลาต้องขึ้นมาเล่นน้ำแน่นอนแต่การหาปลาต้องลำบากมากขึ้นแน่ พอแกเดินหาปลามาจนถึงใกล้บริเวณสะพานริมคลองตรงแถวนั้นเป็นป่าทึบมีดงกล้วยด้วยบรรยากาศก็ถือว่าเปลี่ยวมาก ก, ก็เลยเปิดไฟฉายส่องไปหาเพื่อนอีกสองคนดูว่าเดินไปถึงตรงไหนกันแล้วชเง้อมองไปทางริมฝั่งโน้นก็เห็นแสงไฟฉายริบรี่อยู่ใกล้มากก็เลยอุทานอยู่ในใจว่าหากันอยู่สองคนจะได้สักเท่าไหร่กันวะเนกคำในใจอมยิม้มแล้วก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบสุดพ้นขวัญสบายใจ ต่พอแกดูดไปได้ไม่เท่าไหร่มันก็ดับเพราะลมพัดเม็ดฝนมาโดนแกก็นั่งบ่นอยู่คนเดียวด่านโน่นด่านี่ฝนฟ้าอะไรวะมาตกอะตอนนี้ยังไม่ทันซื้อได้ชื่นใจเท่าไหร่เลยก็นั่งหงุนหงิดเล็กน้อยต่อไปรอฝนทราอีกนิดหนึ่งแล้วก็เดินหาปลาต่อแกก็นั่งซึมซับบรรยากาศรอบตัวแบบเพลินๆไปเรื่อยพักหนึ่งแกก็เหลือไปเห็นร่างแต่คุ้มแคุ้มของชายคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากใต้สะพานลนักษณะกำลังเดินยุบยาบยุบยา บ, ยา บ, ยาบตรงมาทางแก คิดว่าเป็นเพื่อนหนึ่งในสองคนกันกำลังเดินมาเดินตรงเข้ามาหาเรื่อยๆแกก็ไม่ได้เปิดไฟฉายมองแต่พอเดินมาใกล้ๆก็รู้ว่าไม่ใช่เพื่อนดูแลไม่น่าจะมีพิษมีภัยเพราะว่าไม่ได้ถืออะไรมาด้วยจนร่างของชายคนนั้นเดินเข้ามานั่งตรงข้างแกแล้วก็เอ่ยปากว่าขอยืมไฟแช็กหน่อยจะจุดบุหรี่สูบพอตาได้ยินก็นึกขำในใจสงสัยจะหนาวมากเอาสเสียงเครือเลยแกก็บอกกลับไปว่าจุดไม่ติดตรอกมันเปียกฝนแกพูดโดยที่ไม่ได้มองหน้ากัน เออเอามาเถอะนาจ่างยังพยายามจะยืมอีกตาแกคิดตาแกก็เลยให้ยิ้มไปได้ยินเสียงจุดไฟแช็กในความมืดแฉแฉแฉตานื้อําในใจก็บอกแล้วแล้วชายคนนั้นก็ยื่นไฟแชก ค, คืนกลับมาให้ตาพร้อมกับพูดว่าฝนเนี่ก็ตกเม่รู้เวลาเวลากูหนาวจะตายห่ามาสีหชั่วโมงแล้วตาได้ยินก็หัวเราะกลับว่าจะหไปคุยกับชายแปลกหน้าคนนั้นว่าไปอยู่ตรงไหนมาถึงได้หนาวตั้ง น, นั้น แต่พอตาหันไปก็เห็นข้างหลังไวๆของชายคนนั้นที่กำลังเดินจากไปมุ่งตรงไปยังใต้สะพานบะาทำไมไว้อย่างนี้แกก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากไปก็ไปสิฝนก็เบาลงแล้วด้วยไปหาปลาต่อดีกว่าแกก็ออกเดินหาแทงปลาต่อไปแทงปลาไปเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างแทงไปแทงมาแกก็ไม่หยุดอยู่ตรงใต้สะพานแกมองพิจารณาสะพานอืมมันเป็นสะพานไม้แล้วพอมองดีๆมองตรงไปที่อีกฝั่งหนึ่งของใต้สะพานเอ๊ะอะไรวะนั่น แกเห็นเหมือนว่ามีใครกำลังยืนอยู่บนน้ำแกรีบหยิบไฟฉายขึ้นส่องดูโปเชะแจกแสงไฟแกเห็นได้ถนัดตาเลยชายคนนั้นชายคนนั้นนั่นเองที่ไปยืมไฟแช็กจากแกตอนนี้กำลังห้อยตงเตงอยู่ใต้สะพานเฮ้ยเพิ่งยิมไฟแช็กมาเมื่อสักพักนี่เองตอนนี้เมื่อแขวนคอตายแล้วเหรอลิ้นออกมาจูบ ป, ปากตาก็โปนออกมาแล้วด้วยแกตะลึงนิ่งอยู่นิดนึงตกใจสิใครได้เจออย่างนี้ก็ต้องตกใจทั้งนั้นแหละเพิ่งเห็นกันอยู่เมื่อกี้นี่เองตอนนี้เมื่อแขวนคอตายซะแล้ว แกไม่รอช้าถอยหลังกรุดแล้วิ่งออกไปจากตรงจุดนั้นรีบไปบอกชาวบ้านแถวนั้นอย่างไวจากนั้นก็เข้าแจ้งความว่าเป็นผู้ที่พบศพแต่ผลของการชันสูตรศพก็ทําให้ตาสะดุง้งเมื่อพบว่าชายคนนั้นแกแขวนคอตายมาไม่ต่ำกว่า5้ชั่วโมงแล้วก่อนที่ตาจะพบตาสับสนมากกับสิ่งที่เจอหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าตายไปแล้วจะมายิมไฟแช็กกันได้ยังไงตารีบกลับห้องพักทันทีพอถึงห้องพักก็เจอเพื่อนอีก2คนที่ไปหาปลาด้วยกัน ขงใจเลยถามเพื่อนว่าทําไมไม่รอแล้วหายไปไหนกันมารู้ไ้มว่าได้ไปเจออะไรมาบ้างก็ได้ทราบคําตอบจากปากเพื่อนว่าตอนที่หาปลากันอยู่2คนนั้นนะ่ะผอมองกลับมาทั้งฝั่งที่ตาหาอยู่ก <c oughs> ็เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินสูบบุหรี่อยู่พอจ้องมองไปว่าใครนะ่ะชายคนที่สูบบุหรี่อยู่ก็หันมาทําตาปนแลบ ล, ลิ้นปลิ้นตาก็เอาไฟฉายส่องดูอยู่พักหนึ่งเจ้าคนนั้นก็แลบลิ้นไม่หยุดตาก็ะปนเรื่อยๆแต่สังเกตลิ้น ย, ยาวมากเลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันคิดว่าไอ้นี่น่าจะบ้า ก็เลยเดินหาปลากันต่อพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินตามพอหันกลับไปมองก็ไม่เห็นมีใครเดินต่อไปก็มีคนมาสะกิดที่หลังหันไปดูก็ไม่มีใครได้กลิ่นบุหรี่แรงมากเหมือนว่ามีใครมาพ่นใส่เลยเดี๋ยวก็สะกิดซ้ายสะกิดขวาโดนกันทั้งคู่ได้แต่มองหน้ากันใครจะอยู่ก็อยู่ไปไม่อยู่แล้วแหละรีบซ้ำพากันกลับเลยขอโทษที่ไม่ได้รอกําลังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าจะออกไปตามแต่ก็กลับมาแล้วเพื่อนเล่าให้ตาฟัง ย้อกลับมาที่เรื่องของศพที่ตาไปเจอไม่นับเรื่องที่เมาขอจุดบุหรี่สูบนะเรื่องดังกล่าวเคยเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนั้นไม่แน่ใจว่าฆ่าตัวตายเองหรือว่าโดนฆาตกรรมผลชันสูตรบอกมาว่าเป็นการตายโดยขาดอากาศหายใจข่าคลุมเครือประมาณว่าก่อนที่จะแขวนค อ, อนี่แหละแล้วข่าวก็เงียบหายไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆก่อนนะครับก็ข อ, ขอขอบคุณเรื่องแรกแต่คุณสเปซนัสและเรื่องที่2จากบุรุษผู้ไม่เคยสังเมานะครับ ก็ยังคงส่งเรื่องราวมาให้ได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปทุกวันเพราะว่ามีเรื่องราวให้ไปทํามากมายครับเอาไว้เมื่อฟ้าเปิด YouTube อนุมัติอีกครั้งหนึ่งเรื่องลิขสิทธิ์เขาที่เข้า ท, า, ทางตารางการลงคลิปก็น่าจะเป็นปกติครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมริสติปัญญ า, ยานในการดรํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเรา ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ